ดังจะพึ่งเห็นได้ว่าคนเป็นอันมากที่วุ่นวายกันอยู่ก็เพราะว่าปฏิบัติตกอยู่ใต้อำนาจของอินทรีย์ทั้งหกนี้คือใต้อำนาจของตาของหูของจ ม, มูกของลิ้น ของกายของมณะคือใจไม่เป็นนายของตาหูจมูกลิ้นกายและมณะคือใจยกตัวอย่างเช่นว่าปฏิบัติตามอำ น, นาจของตาก็คือ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 ที่สิ้นเปลืองไปเป็นอันมากก็เพราะต้องการที่จะสนองความปรารถนาของตาที่จะได้ดูได้เห็นสิ่งที่สวยงามเท่านั้นสมมติวา่าตาบอดเสียอย่างเดียวแล้วการตกแต่งต่างๆ ที่ต้องการให้ตาดูตาเห็นว่าสวยงามนั้นก็จะไม่ต้องมีเลยแต่ที่ต้องมีนั่นก็เพราะว่าตาต้องการจะดูจึงต้องมีการตกแต่งกันต่างๆสำหรับตาทางอื่นก็เหมือนกันต้องการตกแต่งกันต่างๆสำหรับหูจะฟังต้องเป็นเสียงที่ไพเราะต่างๆอะไรเป็นต้น ต้องมีการตกแต่งต่างๆสำหรับกลิ่นที่สุดดมสำหรับเล่นที่จะลิ้มก็เป็นรสต่างๆและต้องตกแต่งต่างๆสำหรับกายที่จะถูกต้องตลอดจนถึงต้องตกแต่งต่างๆสำหรับเรื่องที่จะให้ใจคิดเพื่อให้ใจมีความสบาย ให้ใจมีความสุขมีความเพลิดเพลินเหล่านี้ทุกคนทุกคนจึงต้องเอาใจตาหูจมูกเลินกายและมณะคือใจนี้อยู่เป็นอันมากและเมื่อสรุปเข้ามาแล้วก็คือว่าต้องเอาใจตัวจิตคือใจนี้เองนั่นเอง ที่ต้องการที่จะได้อารมณ์อันพินที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางเล่นบ้างทางกายบ้างทางมณะคือใจบ้างอันทำให้จิตใจนี้เองต้องดิ้นรนวัดแกว่งกระสับกระส่ายไปเพื่อรูป เพื่อเสียงเพื่อกลิ่นเพื่อรสเพื่อผลภและเพื่อเรื่องราวทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเพราะฉะนั้นจึงได้มีพระพุทธภาษิตได้ตัดเปรียบเทียบเอาไว้ถึงสัตว์ หกจำพวกคือว่างูจำพวกหนึ่งที่วิ่งไปหาจอมปลวกอันเป็นที่อยู่อาศัยจระเข้จำพวกหนึ่งที่ต้องวิ่งไปลงน้ำนกจำพวกหนึ่ง ที่จะต้องบินหวือไปในอากาศไก่จาพวกหนึ่งที่จะต้องบินไปสู่บ้านอันเป็นที่อาศัยหรือที่อาศัยของตนสุนัขรจริ้งจอกจาพวกหนึ่งที่จะต้องวิ่งไปสู่ป่าชาเพื่อกิตที่ได้จะกินซากศพต่างๆลิงจาพวกหนึ่งที่จะต้อง วิ่งลุกหลกอยู่บนต้นไม้รัเปรียบเหมือนอย่างว่าจิตนี้จะต้องวิ่งไปหารูปที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทางตาก็เหมือนอย่างงูที่เลื้อยไปหาจอมปลวก จิตนี้เองก็ต้องดินรนที่จะไปที่จะได้อารมณ์คือเสียงทีน่น่ารักใคร่ปรารถนาผดใจก็เหมือนอย่างจระเข้ที่จะวิ่งไปหาน้ำยมกูกคือจิตนี้เองดินรนไปเพื่อจะได้อารมณ์คือกลิ่น ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจที่เหมือนอย่างนกบินวือไปในอากาศจิตนี้เองดิ้นรนไปเพื่อจะได้รถที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทางลิ่นเหมือนอย่างไก่ที่บินไปสู่บ้านหรือที่อาศัยของตน จิตนี้เองดินรนไปเพื่อจะได้โพธพภคือสิ่งที่กายถูกต้องที่นารักใคร่ปรารถนาพอใจทางกายเหมือนอย่างสุนัขยิงจอบวิ่งไปสู่ป่าช้าเพื่อจะกินซากศพจิตนี้เองที่ดินรนไปเพื่อจะได้อารมณ์คือธรรมะคือเรื่องราวที่นารักใคร่ปรารถนาพอใจเหมือนอย่างวานนอนคือลิง ที่วิ่งลุกหลิกไปอยู่บนต้นไม้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นจิตนี้เองจึงเป็นเหมือนอย่างสัตว์หกจำพวกดังกล่าวมานี่ที่ดินรนกัดแกงกระสับกระส่ายไปต่างๆเพื่ออารมณ์ทางทวารทั้งหกนี้ดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้น จึงเป็นศีลก็ไม่ได้เป็นสมาธิก็ไม่ได้เป็นปัญญาก็ไม่ได้ฉะนั้นจึงต้องมีอินทรียสังวรอยู่ด้วยกันทุกคนมากหรือน้อยจะไม่มีเลยนั่นไม่ได้ จ, จึงจะดำรงอยู่ได้ด้วยดีและเมื่อ ป, จจปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาก็จะต้องมีอินทรียสังวรนี้ให้มากขึ้นและอินทรียสังวรนี้เองก็เป็นเครื่องละอาสวะ ข้อหนึ่งอันเป็นข้อที่สองต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสตดและตั้งใจทาความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้น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 อธิบายโดยยึดหลักปฏิบัติในสติปัฏฐานและก็เริ่มต้น ตามหลักปฏิบัติในสติปัฏฐานตามเคยและก็จะได้แทรกอธิบายกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าอูพระบรมศาสดาได้ทรงสอนไว้เอง จากพระสุตจากพระสุตต่างๆตามสมควรและในวันเริ่มต้นแห่งเทศการเข้าพรรษานี้ก็จะได้เริ่ม ด้วยหลักเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเอาไว้ให้ปฏิบัติทำหลักเบื้องต้น สองข้อให้บริสุทธิ์ข้อที่หนึ่งก็คือศีลที่บริสุทธิ์ดีข้อที่สองก็คือทิฏฐิความเห็นที่ตรง ความเป็นภูมิศีลที่บริสุทธิ์ดีและความเป็นภูมิความเห็นที่ตรงสองข้อนี้เป็นหลักที่ตรัสสอนให้ปฏิบัติให้บริสุทธิ์ เป็นเบื้องต้นในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะว่าสองข้อนี้ได้ตรัสว่าเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา จะเป็นคือขัดหรือบัรประิิตก็ตามจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามก็พึงตั้งใจปฏิบัติทมศีลของตนให้บริสุทธิ์ให้ดี และปฏิบัติทำความเห็นของตนให้ตรงต่อธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนการปฏิบัติทำศีลให้บริสุทธิ์ให้ดี ข้อที่หนึ่งนั่นในเบื้องต้นก็ให้ตั้งใจสมาทานศีลขึ้นก่อนครูที่บวชเป็นภิกรุ สมณเณรศีลก็มาด้วยการบวชฝ่ายคือหัดศีลก็มาด้วยการตั้งใจสมาทาน จากภิกษุสมณีนหรือว่าตั้งใจสมาทานศีลขึ้นโดยตนเอง ที่ตั้งใจปฏิบัติด้วยการบวดหรือด้วยการสมาทานดังกล่าวก็มีข้อของศีลดังที่เรียกกันว่า ศีล5้าศีลแปดศีลสิบศีลสองอยี่ 8, สิบเจ็ดหรือว่าเรียกอย่างอื่นตามข้อของศีลหรือตามอาการของศีลและศีลที่ มีข้อหรือมีอาการดังกล่าวก็เป็นไปตามพระบัญญัติของพระพุทธเจ้าที่ด้สงบัญญัติไว้สีลห้าก็สรงบัญญัติไว้เป็นสิกขาบทห้าข้อ สิบแปดก็เป็นพระบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้แปดข้อดังนี้เป็นต้นและเมื่อประมวลเข้ามาให้มีลักษณะเพียงอันเดียวก็คือความปกติ คือความปกติกายปกติวาจาปกติใจอันบังเกิดขึ้นจากความตั้งใจสำรวมอันเรียกตามสับแสงว่าสังวรกายวาจาใจ ให้เป็นปกติคือไม่โูกิเลสกองโลกกองโกรธกองหลงต่างๆดึงจิตใจไปให้วิปริตผิดปกติ จนถึงละเมิดออกไปทางไตรทวารคือกายวาจาใจดังที่ปรากฏเป็นความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจต่างๆตามอำนาจของโลภโกรธหลงฉะนั้น ความที่จะปฏิบัติทำศีลให้บริสุทธิ์ดีได้ก็จะต้องมีความสังวรสำรวมกายวาจาใจให้เป็นปกติเป็นอันดีสงบ รำงับอิเลตกองโลภกองโกรธกองหลงต่างๆดังนี้จึงเป็นศีลที่บริสุทธิ์ดีซึ่งมีลักษณะเป็นอันเดียวคือความเป็นปกติหรือความปกติกายวาจาใจ สงบกายวาจาใจเป็นลักษณะที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวของศีลศีลจึงบริสุทธิ์ดีและก็จะต้องมีความเห็นที่ตรง ตรงต่อธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและตรงต่อศีลตรงต่อธรรมที่เป็นดวความจริงอันมีอยู่ในตน อันจะทำให้เป็นภูมิกายวาจาใจที่ตรงตรงต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตรงต่อความถูกต้องอันเป็นตัวความจริงก็คือถูกต้องจริง ความเห็นนี้สำคัญมากหากมีความเห็นไม่ตรงก็จะเป็นความเห็นผิดทำให้ปฏิบัติผิดต่อเมื่อมีความเห็นตรงตรงต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตรงต่อความถูกต้องจริง ยังจะทำให้ปฏิบัติถูกและความเห็นที่ตรงนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบทำให้ปฏิบัติชอบฉะนั้นทั้งสองข้อนี้จึงเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ ให้ปฏิบัติทมข้อเบื้องต้นทั้งสองนี้ให้บริสุทธิ์คือให้เป็นภูมิศีลที่บริสุทธิ์ดีและให้เป็นภูมิความเห็นตรงและก็ได้ตรัสสอนให้ เป็นภู ม, ส ม, ม, ส ม, มิสติคือความระลึกได้และมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวสติคือความระลึกได้ที่ตรัสสอนไว้ก็คือให้ปฏิบัติทำสติความระลึกไป ในสติปัฏฐานที่ตั้งของสติทั้งสี่คือกายเวทนาจิตธรรมส่วนสัมปชัญญะคือความรู้ตัวก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติทำความรู้ตัวในอิริยาบทของร่างกายทั้งหลาย คือให้มีความรู้ตัวในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยมาข้างหลังในการแลในการเหลียวในการที่คูอวัยวะร่างกายเข้ามาในการที่เหยียดอวัยวะร่างกายออกไป ในการนุ่งในการห่มต่างๆในการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มต่างๆในการ ขับทายต่างๆในการเดินในการยืนในการนั่งในการนอนในการหลับในการตืน่นในการพูดในการนิ่งให้มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ และพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติตั้งในที่ตั้งของสติทั้งสี่คือกายเวทนาจิตธรรมไว้เป็นอันมาก และก็ได้ตัดเอาไว้ว่าบรรดาภูเข้ามาใหม่คือนวากะภิกษุทั้งหลายก็หมายถึงภูที่ปฏิบัติใหม่ไวคารวาะทุกท่านด้วยให้ปฏิบัติ ตั้งสติในสติปัฏฐานทั้งสี่เพื่อให้มีความหยั่งรู้ในกายเวทนาจิตธรรมทั้งสี่นี้แหละทั้งด้วยตรัสเอาไว้ว่า แม้พระอระหันต์ขีนาศบผูสิ้นอาสวะกิเลสแล้วก็พึงปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ด้วยเพื่อที่จะได้พราบจิตออกได้จากกายเวทนาจิตธรรม ซึงอันที่จริงท่านก็พรากิตออกได้แล้วแต่เมื่อปฏิบัติจาักกายเวทนาจิตทำอยู่ในปัจจุบันอีกด้วยก็ย่อมจะทำให้ได้ความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันยิ่งขึ้นเป็นการพักจิต ดูด้วยสติที่กำหนดในกายเวทนาจิตธรรมและก็ได้ตรัสสอนเอาไว้ว่าเมื่อปฏิบัติทำข้อเบื้องต้นทั้งสองคือให้มีศีลที่บริสุทธ์ดี และให้มีความเห็นตรงก็ตั้งอยู่ในศีลอาศัยศีลปฏิบัติธรรมสติในสติปัฏฐานทั้งสี่ดังกล่าวนั้นในข้อนี้เป็นข้อที่ ทั้งภูเข้ามาใหม่ทั้งภูเข้ามาเก่าพึงปฏิบัติในทางเดียวกันที่ตรัสสอนระบุถึงภิกษุใหม่